นี่ก็มาขึ้นโกทสูตรนะครับในคำพีคุธการนิกายอิติวุติกะนะครับโกทสูตรสูตรที่4ี่วคที่หนึ่งนะครับในหน้า85บ้าข้อหนึ่งจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพ่าอ ร, ะระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉไหนดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโกทะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีสูตรที่หนึ่งโลภะสูตรที่สองโทสะสูตรที่สามโมหะสูตรที่สี่โกทะนะครับมันถ้าหากว่าละโ like กทะได้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 โกธาเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกโรธไปสู่ทุกขตินะครับไอโกธะอันนี้เนี่ยนะก็ต้องคํานึงไว้เสมอนะครับตัวที่พาไปปฏิสนธิในอบายได้โดยเฉพาะเวลาใกล้จะตายเป็นนึกขัดเคืองใครเข้านะครับก่อนจะตายเนี่ยนะเป็นนึกดาก่านึกแช่งนึกโกรดนึกเกลียดนึกอาฆาตพยาบาทใครในขณะที่จะตายเนี่ยนะครับอบายก็หวังได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็ให้ละซะก่อนนะครับถ้าละไม่ได้ก็อบายก็ ยากเหมือนกั น, นนะหรือถ้าหากว่ายังละไม่ได้ก็ทําบุญกุศลตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่ากุศลที่บําเพ็ญเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อกําจัดโกธะเป็นต้นเหล่านี้เถอด น, นะตั้งตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ยังดี น, นะในอัตถกถาโกทสูตรอธิบายว่าบทว่าโกทังคือโทสะเพราะโทสะนั่นแลกล่าวอย่างนี้ด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้ ผู้รู้โดยปริยายของโกทะนะครับคือหมายความว่าที่จริงโกทะกับโทสะก็อันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าต่างกันโดยใช้คําคือพอใช้คําอีกคำหนึ่งเนี่ยนะอีกคนหนึ่งเข้าใจเลยครับว่างั้น อ, อย่างที่โยมผู้การเล่า ว, ว่าถ้างโง่เนี่ยนะภาษากลางเขาเข้าใจกันทีเลยถ้าใช้ภาคเหนือก็บอกเง่านี่ก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสที่จริงก็ความหมายอันเดียวกันแต่กับโง่กับเง่ามันก็สับติดติดปากใกล้ๆ ก, กันใช่ไหมครับ แต่ว่าแยกมาให้เห็นชัดว่าออสัพ์บางศับเนี่ยนะฟังแล้วมันแทงใจดําหน้าดูเลยนะก็มันเข้าถึงอกถึงใจเลยกันพระองค์นี่รู้ว่าถ้าใช้ศัพท์นี้มันเข้าถึงใจใครกันนะพระองค์ฉลาดในส่วนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเห็นความก โ, โกรธโกธาตัวนี้นะมีความขัดเคืองเป็นลักษณะนะเรียกว่ามันขัดหูขัดตาเนี่ยนะลักษณะของโทสะนะขัดมากขัดน้อยก็แล้วแต่เอาว่าอารมณ์นั้นมันรุนแรงขนาดไหน แต่ว่าโทสะเนี่มันเกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งคือปฏิฆานิมิตอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะฉะนั้นจิตอันนี้หรือเจตสิกอันนี้มันเกิดขึ้นจิตก็ขัดเคืองมีทําความอาฆาตเป็นรถนะครับกิจของเขาก็คือทําความอาฆาตเนี่ยนะก็คืออาจจะนึกทําลายในสิ่งนั้นนั้นไม่ปรารถนาให้สิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมครับที่จริงโทสะกับปัญญาเนี่ยไอ้ส่วนที่ใกล้กันก็ใกล้กันนะครับ เพราะฉะนั้นโทสะนี้เห็นโทษเหมือนกันครับแต่เห็นโทษที่ไม่เป็นจริงปัญญาก็เห็นโทษของอารมณ์แต่เห็นโทษตามเป็นจริงมีความต่างกันตรงนี้นะครับแต่วันปัญญากับโทสะไม่ยุติดเหมือนกันแต่ว่าปัญญานี้เห็นโทษตามที่เป็นจริงโทสะนี้เห็นโทษที่ไม่ไม่เป็นจริงนะครับมีความวิบัติแห่งจิตเป็นอาการปรากฏใจเสียเลยนะ เหมือนความเน่าของจิตว่างั้นแต่ทำให้จิตมันบูดนะนะแล้วบูดแค่ไหนก็บูดเหมือนกับนี่แหละครับกับข้าวที่ทิ้งไว้หลังวัดเนี่ยนะที่ยอมว่ทิ้งไว้วันก่อนนี่มากลิ่นมันเตะจมูกดีเหลือเกินนะครับนอนนี่สกกรอบหนึ่งได้ครับชอ้อนะปุรูกวะกะสัญญานะครับถ้ามันช้อนเข้าตรงไหนตรงนั้นเนี่ยนะปากมันกัดงับๆับงนะอันนี้นั่นแหละครับจิตถ้าถูกโทสะแล้วก็เจตสิกอื่นๆเนี่ยเสียหายหมดนะครับมันบูดมันเน่า ไม่บูดแค่ใจนะมันมาทางสีหน้าเวลตากิริยาท่าทางทุกอย่างนะครับแม้แต่พูดก็พูดวิบัติทําก็ทําวิบัติเดินจะเดินจะเหินก็วิบัติหมดแล้วครับถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยมันบูดมันเน่ากลิ่นขาวคละคลุ้งเนี่ยนะครับคนอื่นไม่อยากอยู่ใกล้บูดแค่ไหนก็แล้วแต่อานุภาพของความโกรธนะครับบางคนเนี่ยโกรธแล้วคนต้องหลบหนีนะครับไปอยู่ไกลๆเลยนะครับเพราะมันบูดแล้วมันมีกลิ่นชุนแรงๆนะโทสะมันเป็นอย่างนั้น บางคนที่สะสมมามากเนี่ยนะครับในโอกาสตับทุสวาจามาทันทีเลยนะครับทั้งคําแช่งคําด่าเป็นต้นเนี่ยนะถึงมีพยาบาทเป็นเป็นมูลเนี่ยนะล่วงกรรมบททั้งนั้นนะครับนึกด่าใครนึกแช่งใครเนี่ยนะแช่งชักหักกระดูกเนร่วงกรรมบทนะไม่ต่างจากปาณาติบาตมากนะักนะครับจิตที่นึกแช่งนะจิตที่นึกแช่งด้วยความรุนแรงหรือว่าอาจจะเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งก็ตามนะครับนึกความพินาศของสัตว์เนี่ยนะ เช่นะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แป๊ดทํามาก็แช่งชักเออไปตายหอกตายอะไรก็ตามเถอะลักษณะเนี้ยล่วงกรรมบดไม่ต่างจากปาณาติบาตมากนะักให้พ้นน้ำเกิดได้นะครับไอความคิดอันนั้นหรือวาจาอันนั้นนะเพราล่วงกรรมบดเหมือนกันกรรมบดข้อไหนนะพยาบาทไงพยาปาทะในกรรมบนี่อมีองค์สองมสองีสัตว์อื่นก็คิดพิจนาสัตว์อื่นก็ครบองล์ละให้พ้นน้ำเกิดได้ละเอ๊ พยาบาทปกติเราก็เนึกอว่าเออเรื่องที่คิดในใจอย่างเดียวคือ<ถ>พยาบาทอ่าที่พยาบาทก็ต้องดูว่าบางอย่างร่วงกรรมบทนะครับอืมอ่าคือโทสะเป็นเหตุให้ให้ร่วงกรรมบทนะครับคือหนึ่งานตาิบาตถ้าเป็นกายกรรมน ะ, ะหรืออาทินนาทานนะครับพยาบาทโทสะเนี่ยนะทำให้ร่วงกรรมบททางวาจาเช่น พุสวาร์จาร์หรือมุสาวาสก็ได้หรือซอเสียดก็ได้แต่ยังเนี่ยมอเตอร์ไซค์แป้นมาแล้วก็ไอ้นั่นไอ้นี่ ไ, ไปตายนี่เป็นพยาปาทะที่เป็นมนโนกรรมอมรล้วแลพระลูพระลสาวาจานี่ไม่ไม่เป็นรรปสาวาจาก็ด่าไงครับคำด่าสิประการด่าด้วยอาโกสัตถุกสิบประการด่ากระทบกระเทียบเหมือนหมูเหมือนหมากาไกเหมือนกับ อ่นะนะเหมือนกับอะไรก็ได้นะครับที่เปรียบเทียบที่เป็นคําฟังแล้วเสียดแทงจิตเลยเกินนะอ่ะยกตัวอย่างหน้าเหมือนปลาจวดเป็นตัวเ น, นี่ยนะคือกระทบแบบเนี้ยในลักษณะนี้พุทธสว aja าาแต่แต่ดาว่าไปตายซะอันนี้เป็ น, ยนพยาบาทอ๋อพยาบาทในกรมนรมมรดกไม่เป็นพุทธสว aja าาอ่าไม่เรียกพุทสว aja าาคือคือโดยวาจาอั่ทั่วๆไปก็เรียกพุทธสวาจาแต่กรรมเป็นมโนโกรรมพรุทธสว aja าาเป็นวจิกรรมออคนละกรรมกันแต่ว่า Cred. พยาบาทที่ล่วงมาทางวาจีทวานนะครับเห็นไหมก็แสดงว่าเพลงกรรมบดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็แผ่นที่โยมเขาเอามาให้ก็น่าดีนะที่เขาโยมเขาฝากมาถวายนะครับในแผ่นนั้นนะนะว่าแผ่นที่ที่ข้างหน้ามีตัณหาสูตรอวิชชาสูตรนะนะในนั้นข้างหลังจะมีกรรมบทว่าอะไรองค์ธรรมของอากุศลกรรมบทแต่ละอย่างองธรรมได้เกยอะไรและล่วงได้กีท่ทวานมีเวทนาอะไรบ้างมีมูลอะไรบ้าง อันนี้เป็นหลักวินิจฉัยนะครับเป็นหลักวินิจฉัยเพราะฉะนั้นโกธาในที่นี้หมายถึงจิตที่เน่านะครับอาการปรากฏของจิตเนี่ยนะครับจิตเน่าเลยทําให้เกิดในอบาย อ, อ๋อยังไงก็สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าล่วงกรรมบทถ้าครบองค์ก็ไปอบายคือนําเกิดได้ถ้าไม่ครบองค์นะครับถ้าไม่ครบองค์เนี่ยจิตอันนี้ไปเกิดใกล้ตายนะกรรมอื่นๆที่ครบองคเนี่ยนะไปดึงกรรมเมื่อแสนโกดกลับมาให้ผลได้นะ สมมติถ้าหากว่าผมเนี่ยนึกเกลียดใครสักคนหนึ่งก่อนจะตายเนี่ย น, ะนึกตําหนิเนี่ยนะนึกไม่พอใจลูกก็ได้ล้านก็ได้ใครก็ได้เนี่ยนะครับโท่สะเกิดเวลาใกล้ตายเนี่ยนะนึกแค่นั้นแหะชาวนะสุดท้ายก่อนตายกรรมที่ทําไว้เมื่อแสนโกรธกับมาให้พ้ น, นําเกิดได้นะครับมาฉุดนําเกิดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงอาจจะนึกโกรธใครนิดๆไม่ค่อยพอใจไม่ชอบใจเนี่ยโดยธรรมดาทั่วๆไปเหมือนไม่มีโทษ เหมือนไม่มีโทษแต่จิตเหล่านี้ถ้าไปเกิดใกล้จะตายอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอาบายอย่างเดียวนะครับก็เปิดประตูให้นะครับคือเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัตนี้นะสังสารวัตมันมีโทษอยู่แล้วถ้าได้ปัจจัยโทสะก็เกิดถ้าได้ปัจจัยโลภะก็เกิดถ้าได้ปั จ, จัจโมหะก็เกิดนะครับทีนี้ไอ้ปั จ, จัยเหล่านั้นถ้าปั จ, จัยมันแรงมากกรรมก็เรื่องกรรมบดนะครับ ล่วงเปรีย่ยวกายทุจริตก็มีวจีทุจริตก็มีมโนทุจริตก็ ม, ม, โโทกมีทีนี้เอกกรรมเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินั้นๆดวงที่สองก็ให้ผลในชาติถัดไปดวงที่สองถึงดวงที่6ก็ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ให้ผลนะถ้าได้ปัจจัยให้ผลเลยนะครับทีนี้กา ร, รให้ผลบางอย่างก็ให้ผลนำปฏิสนธิก็มี บางอย่างไปให้ผลเป็นอุปปีและกกรรมก็มีไปเป็นอุปคาตกรรมก็มีไปอุปธรรมภักกรรมก็มีนะครับไปให้ผลได้ทำได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆแต่ว่าบาปอากุศลเหล่านั้นนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ให้ผลเด็ดขาดถ้าไม่มีตัณหาและอวิชชานะครับ มันอวิชากับตันหาเนี่ยเป็นตัวที่น่าเกลียดนะครับมันเชื่อมพบสู่พบไว้มันเชื่อมเชื่อมพบสู่พบเชื่อมคติสู่คติเนี่ยนะให้มันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเหมือนโคที่เทียมยนตเหมือนกันเ่อะนึกออกไหมครับคําว่าโคเทียมยนเนี่ยหมายคือว่าเคยเห็นเขาหีบอ้อยนยมันจะมีไม้สองอันเนี่ยนะมันหมุนไปหากันครับเขาจะเอาวัวเนี่ยมาเทียมเดินรอบทีนี้เมื่อเทียมเนี่ยมันก็ไม้มันก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยอ้อยเขาก็จะยัดเข้ามันก็จะบดออกมาเป็นน้ําอ้อยนะครับ ทีนี้ไอ้วัว น, นี่มันก็เดินวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงมันก็เดินรอบอยู่นั่นนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกเนีย่ยนะมันเดินมากก็จริงแต่ไม่ได้ไปไหนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตายเกิ ด, ต า, กดตายเกิดก็จริงแต่ไม่ได้ไปไหนเลยครับอันนะั้ก็หมุนเวียนอยู่นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเลระชานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมเป็นครั้งคราวนะครับนานๆจะมีทีนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้บาปที่มันสะสมในภพภูมิต่างๆเนี่ยมาก ที่พระ อ, องค์ตรัสไว้กับผ้าโนตนนะนะว่าสัตว์ที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยตลอดซ 0,000 สนโกรกับเป็นอนเนกเนี่ยหาได้ยากนะครับเมื่อยากเนี่ยนะมันได้ปัจจัยโลภะเกิดเลยได้ปัจจัยโทสะเกิดเลยได้ปัจจายนี่โมหะเกิดเลยเจตนาเหล่านั้นนนั้นก็ซื่อสัตว์น่าดูนะครับมันซื่อสัตว์นะอนุภาพคือโลภะโทสะมีกําลังมากเจตนาก็ให้ผลรุนแรงถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะเป็นต้นมีกําลังอ่อนเจตนาก็ให้ผลอ่อนไปตามอนุภาพของเหตุปัจจัยนั่นเองนะครับ ตามอำนาจของเหตุที่ที่สัมปยุทธ์ด้วยแล้วก็อุปนิสัยด้านอื่นๆด้วยก็เหมือนกับพวกเราได้ยินคำว่าพุทโธก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยก็สะสมการเจริญพุทธคุณน้อยไปนะครับผู้ที่สะสมในการเจริญพุทธคุณมากเนี่ยนะครับได้ยินคำนั้นเมื่อไหร่ก็ปีติขนลุกชูชันปราบเพื่มเอิบอิ่มใจนะว่าแม้แต่คำว่าพุทโธเนี่ยตลอดแสนโกรธกลับก็ยังหาฟังยากนะครับคำคำนี้เนี่ย หายากจะได้ยินว่าผู้รู้อริยสัจสี่ชํำเรกออกจากโลกได้พ้อมนะหายากมากนะครับแต่ทีนี้เนื่องเรามากคนบอดเนี่ยนะครับฟังคนตาดีโดยมากก็เฉยเฉยนะครับพราะมันนึกไม่ออกแต่ถ้าคนที่สะสมมาเพื่อที่จะรักษาตาเนี่ยนะเขาได้ยินว่าหมอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เาเพิ่มเนี่ยนะ คนที่เป็นโรคมานอนรอหมอมาเยียวยาสักทีนึงเนี่ยนะพอได้ข่าวว่าหมอเกิดขึ้นมาในโลกเขาจะปราบปลื้มใจมากของเรามันก็ไข่แต่ไม่ค่อยเด็กมีความคำนึงว่าเราเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่ามีความต้องการหมอนักเราก็จะเฉยเฉยนะครับ